ตอนน่อให้ไปตั้งใจสมาทานสินแต่ก่อนที่จะสมาทานสินหลวงพ่อจะทำความเข้าใจกับคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานได้ฟังเรื่องของสินห้าที่พวกเราจะสมาทานสินห้ามีคุณค่าอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรทำไม คนโ บ, โบราณที่เป็นบรรทบรุษของพวกเราทําไมท่านจึงให้สมาทานศีลท่านทําไมจึงให้พวกเรารักษาศีลห้าเมื่อเข้ามาสู่วัดวาศาสนาทําไมท่านจึงให้สมาทานศีลศีลมีประโยชน์อย่างไรแต่พวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายที่ได้เห็นได้ยินมา ก็เห็นว่าศีลเป็นหน้าที่ของคนเข้าวัดศีลเป็นหน้าที่ของคนแก่ศีลเป็นหน้าที่ของคนปดระหว่างที่ไม่มีการงานทําแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงก่อนเดินเข้ามาสู่วัดวาศาสนาแล้วก็รักษาศีลโดยมากพวกเราจะเข้าใจและเห็นอย่างนั้นมากมายพวกเราก็เลยถือว่าผู้ที่ รักษาศีลนั้นผู้ที่เขาวัดวาศาสนารักษาศีลนั้นเป็นคนปดระหว่างเป็นคนคือคนล้านสมัยเนลักษณะอย่างนั้นสําหรับในสายตาของลูกหลานแต่หลวงพ่อจะอธิบายให้ฟังว่าศีลนั้นมีคุณค่าอย่างไรให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาจากนั้นจะได้นําไปพินิษพิจารณาว่าศีลนี้มีคุณค่าอย่างไรอันดับแรกหลวงพ่อจะเป็นผู้พา น, นิชย กล่าวว่านโมซะก่อนหลวงพ่อจะกล่าวว่านโมสามจบนโมตัสสะปะคะวะโต ส, สามจบคําว่านโมคํานี้ลูกหลานก็คงจะไม่เข้าใจอีกเหมือนกันว่าทําไมจะรักษาศีลทำไมจึงว่านโา ม, ข ว, านามขวัญนโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสมาสัมพุทธสัจความแปลหรือความหมายในเป็นภาษาบาลีนโมนคือเป็นภาษาบาลี ความแปลด้วยความหมายนั้นว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันนี้คือความแปลพูดถึงสามครั้งเพราะว่าวานโมสามครั้งแปลก็ว่าแปลในสามครั้งลักษณะนี้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์ัสมาสามพุทธเจ้าพระองค์นั้นทําไมเราจึงว่านโมทําไมเราจึงแปลว่าอย่างนั้นเพราะว่า ศินห้าเนี่ยเหมือพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือศินห้าเนี่ยที่พวกเราจะสมาทานเนี่ยเป็นความรู้เป็นความคิดของใครใครเป็นต้นความคิดใครเป็นต้นไอเดียที่จะให้พวกเราปฏิบัติคือพระพุทธเจ้าเพราะฉนั้นพวกเราจะนําความรู้ความคิดของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติหรือนํามา ให้เราประพฤติปฏิบัตินั้นเราก็ต้องน้อมนอบน้อมต้นศาสดาต้นศาสนาต้นความคิดก่อนเพราะนั้นคนโบราณเขาให้รละลึกถึงบุญคุณของผู้มีพระคุณผู้ที่ต้นความคิดนั้นท่านจึงให้นอบน้อมก่อนว่านาโมตัสสะคือนอบน้อมพระพุทธเจ้าก่อนจากนั้นก็หลวงพ่อจะนำว่าพุทธังทำมังสังขังสรารนังคตฉามิ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 พระธรรม8ปดหมพันพระธรรมขันนั้นคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นคิดเป็นผู้ประกาศเป็นผู้แนะนําสั่งสอนพวกเราเพราะฉะนั้นเราจึงขอนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งส่วนพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 84% ดหมี่พันพระธรรมขันนั้นที่พระพุทธเจ้าได้รู้ได้ค้นคว้าได้ศึกษาและนําพระธรรมมาประกาศมาเผยแผ่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษา จากนั้นพระสงฆ์นําพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาบอกกล่าวให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาถ้าหาก ว, ว่าไม่มีพระสงฆ์เป็นผู้นําพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกมากล่าวมาแนะนําพวกเราพวกเราก็คงจะไม่ได้รับพระธรรมคําสั่งสอนเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นต้นศาสดาเป็นต้นพระศาสนาเป็นต้นความคิดพระธรรมก็คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พระสงฆ์คือคือพระสาวกที่นำทำคำสังสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแผ่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาอันนี้เรวบอพุทธสารณะสามคือพุทธทางธรรมังสังขังแล้วก็ดุติยามปิพุทธทางธรรมังสังขังสารา น, านาุฆาญมิยืนยันเป็นครั้งที่สองตาติยามปิพุทธทางธรรมังสังขังสารานุฉามิข้าพเจ้าขอยืนยันเป็นครั้งที่สาม พวกเรายืดจันถึงสามครั้งจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นแนวทางเป็นที่พึ่งเป็นที่เคารพนับถือจากนั้นก็จะได้กล่าวเป็นองค์ศิลปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิข้าพเจ้าจะงดในการฆ่าการฆ่าพระพุทธเจ้าว่าไม่ว่าเขาไม่ว่าเรามีคุณค่าเสมอกัน ให้คิดเห็นว่าชีวิตของเขาชีวิตของเราถ้าเราไปฆ่าเขาฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าวงศาคนายาตของเขาเขาก็เสียอกเสียใจถ้าเขามาฆ่าเราฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าวงศาคนายาตของเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเป็นธรรมเป็นประชาธิปไตยเป็นธรรมมาธิปไตยสมมูรณ์แบบมีเมตตา่กับทุกคนท่านว่าอย่าฆ่ากันนะ ถ้าฆ่ากันแล้วมันทำให้เขาเดือดร้อนเขามาฆ่าเราคิดถึงใจเราก็แล้วกันถ้าเขามาฆ่าเราเรามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเราไปฆ่าเขาละ่ะเขามีความรู้สึกอย่างไรเพราะนั้นอย่าฆ่ากันนะให้เคารพสิทธิซึ่งกันและกันนี่ลสินข้อที่หนึ่งแล้วสมควรจะให้ใครเป็นผู้รักษาจะให้ทนเท่าคนแก่อย่างนั้นใช่ไหมหรือว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะอันนี้คือสินข้อที่หนึ่ง สินข้อที่สองอธินนาธานาเวรมานีอย่าขโมยของเขานะถ้าเขามาขโมยของเราล่ะเราก็ต้องเสียใจถ้าเราไปขโมยของเขาสิ่งของของเขาเขนาดขโมยรองเท้าอย่างนี้เขาก็ยังเสียใจทามากกว่า น, นั้นก็ขโมยรถขโมยวัวไฟขโมยสิ่งของของเขาเขโมยเงินคำทรัพย์สมบัติของเขาที่เขาไม่รู้ ทุกวันนี้เนี่ยขนาดเงินย้อยในธนาคารยังขโมยกันได้จากนั้นก็ขโมยพ่อขโมยแม่ลูกเมียของเขาไปเรียกค่าไถา่อย่างนี้ถ้าเขามาทําให้แก่เราละ่ะเราเสียใจไหมเราก็เสียใจถ้าเราไปทําให้แก่เขาละ่ะเขาเสียใจไหมเสียใจเพราะฉะนั้นสิลงของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือเอาใจเขามาใส่แกเราเอาแจเราไปใส่ใจเขาในเมื่อเราไม่ชอบใจเราจะไปทําให้แก่เขา เขาก็ไม่ชอบใจเหมือนกับเราแนหล่ละไม่แพ้กันเพราะมนุษย์จิตใจเหมือนกันเพราะเห น, นั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันยาได้ขโมยซึ่งกันและกันอันนี้คือสินข้อที่สองข้อที่สามกาเมสุมิชช า, าราเวรมณีสามีภรรยาลูกหลานตระกูลของเขาเขาก็รักสงวนห่วงแหนถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกัน เพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันถ้าหากว่าตามกฎตามประเพณีสู่ขอกันตามประเพณีอันนั้นมันเป็นกฎของโลกมันมีอยู่แล้วแต่เราไปล่วงล้ำเขาโดยที่ไปบงังคับจิตใจของเขานั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพ er ราะฉะนั้นให้เคารพสิทธิ์ <S <S ซึ่งกันและกันเพราะต่างคนก็ต่างมีต่างมีพ่อมีแม่มีวงศาคนาญาติมีลูกมีหลานเพราะฉะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันถ้าพวกเราเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน ความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในชุมชนและสังคมของพวกเราถ้าว่าพวกเร า, เ, าเขาไม่ครบสิบซึ่เช่นกันแล้วโลกทั้งโลกจะยุ่งเหยิงวุ่นวายมากทีเดียวอันนี้คือสินข้อที่สามข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมะนีอย่าไปโกหกต้มตุลหลอกลวงเขาถ้าเขามาต้มตุลหลอกลวงเราเราก็เสียใจถ้าเราไปต้มตุลหลอกลวงเขาเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันแต่ไม่แพ้กัน คพราะนั้นะคําว่าต้มตุ๋นหลอกลวงเนะั้นมีมากมายอย่างที่เราไม่มีเงินในธนาคารอย่างนี้ยแต่เราเขียนเช็คให้เขาเนี่ยเขียนเช็คเด้งเนี่ยว่าต้มตุ๋นหลอกลวงไหมโกหกไหมเนี่ยอันนี้ก็คืออันหนึ่งอันแน่นอนแล้วค่อยเสียหายมเนี่ยอันนี้ก็แน่นอนไม่รู้กี่ร้อยกี่พันล้านเหมือนกันถ้าว่าอความเชื่อถือของเขามีเขาไม่รูนะ้เราไปต้มตุ๋นหลอกลวงเขาเน่ะ นี่หละสินข้อที่สี่ก็เป็นศินอันตรายต่อชุมชนสังคมมากทีเดียวเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านบอกไว้ว่าคนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้รู้จะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีไอ้อันนี้ให้พวกเราคิดดูให้ดีว่าเมื่อเราได้พบได้เห็นคนชอบโกหกนั้นเขาจะชอบพอทําความชั่วเข้ามาแล้วเขาจะโกหกไปเรื่อยเอ เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านพูดไว้ตั้งแต่สองพันกว่าปียังทันสมัยอยู่นะศิลของพระพุทธเจ้าอันนี้คือสินข้อที่สข้อที่ห้าสุราเมรยะมัชชประมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนดื่มสุราเข้าไปแล้วประมาทประมาทคือลืมตัวเพราะคนประมาทคือคนเมาแล้วขาดสติเพราะคนขาดสติแล้วทาความชั่วได้ทุกอย่าง ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรที่พวกเราได้เห็นในสื่อต่างๆพวกคนเมาสุราคนดื่มสุราเข้าไปแล้วเมาแต่และปีพวกเราเสียเงินกับพวกพันนี้เท่าไหร่ปีใหม่สงกรานอย่างนี้น เ, เพราะเหตุอะไรเพราะว่าคนเมาถ้าคนเมาแล้วทำความชั่วเสียหายให้แก่ชุมชนสังคมคนที่เมาแลวขาดสติแล้วทาความชั่ว ทุกอย่างออพูดอย่างนั้นได้ปานาติปาข้อที่แรกก็ฆ่าใครก็ได้เนี่ยเพราะมันขาดสติอธินนาทานขาโมยใครก็ได้เพราะมันขาดสติกาเมีสุมิชฌาจาร์ละลาบละละ่วงสามีภรรยาลูกหลานใครก็ได้เพราะมันขาดสติโกหกใครก็ได้เพราะมันขาดสติเนีเพราะฉะนั้นศินข้อที่ห้านี่ก็เป็นศินอันตรายอีกข้อหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นศินและรมของพระพุทธเจ้าที่ หลวงพ่อได้อธิบายให้แก่คณะจตหาญาติโยมลูกหลานได้ฟังเนี่ยให้ลูกหลานนำไปคิดนำไปพิจารณาดูที่ว่าศินห้านี้สมควรจะให้ใครเป็นผู้รักษาแต่ถ้าว่าให้หลวงพ่อเป็นผู้ตัดสินหลวงพ่อว่าถ้าหมดโลกทั้งโลกพวกเราต้องการความสงบพร่มเย็นเป็นจุกสมควรอย่างยิ่งทุกคนจะต้องมีศินห้าอย่างน้อยก็ให้เคารพศินห้าถ้ารักษาไม่ได้ก็ให้ยกมือ ท่วมหัวหไปก่อนว่าข้าพเจ้าขอบูชาสินห้าของพระพุทธเจ้าแต่ขณะนี้ข้าพเจ้ารักษายังไม่ได้แต่ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับสินห้าของพระพุทธเจ้าถ้าว่าผู้ใดมีศินห้ายุกใดมีศินห้าคนกลุ่มใดมีศินห้ายุคนั้นคนกลุ่มนั้นบุคคลคนนั้นจะมีแต่ความสงบพร้มเย็นเป็นสุขจะไม่ได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันมากน้อยก็มีแต่ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน เะว่าสินห้านี่คือเป็นศินห้ามไม่ให้ทำความชั่วถ้าจะเปรียบเทียบก็บเหมือนกฎหมายบ้านเมืองกฎหมายบ้านเมืองกับศินเหมือนกันแต่กฎหมายบ้านเมืองนั้นรู้สึกว่าจะห่างกว่าแต่ศีลธรรมนี้มันอยู่ลึกกว่าและละเอียดกว่าเพราะมันห้ามทางด้านจิตใจแต่กฎหมายบ้านเมืองนั้นห้ามคนในที่แจ้งคล้ายๆว่าถ้าใครไม่เห็นกฎหมายก็เอาโทษไม่ได้เพราะว่า มันไม่มีใครเห็นไม่มีไม่มีสักขีพยานแต่ว่าผิดไหมผิดแต่เอาโทษไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะว่าไม่มีไม่มีใครเป็นพยานให้แต่ศีลธรรมของพระพุทธเจ้าละเอียดกว่านั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าความชั่วนั้นอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะความชั่วนั้นย่อมเผาผ่านเมื่อภายหลังถ้าเราทําลงไปแล้วถึงใครจะรู้หรือไม่รู้ก็าตามเรารู้แก่ใจว่า อันนั้นคือความชั่วอันนั้นคือความไม่ถูกต้องความชั่วนั้นถึงเราจะใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามอันนั้นคือความชั่วเหมือนกับเราไปจับไฟในห้องอย่างนั้นนะปิดประตูหน้าต่างให้ดีไม่มีใครรู้เราอยู่คนเดียวเราจับหรือซสียไฟมันร้อนไหมพระพุทธเจ้าว่าร้อนไหมจับไฟร้อนความชั่วก็เช่นเดียวกันถ้าเราทำในที่รับก็ตามทําในที่แจ้งก็ตามอันนั้นคือความชั่วความชั่ววันยังค่า ถึงใครจะรู้หรือไม่รู้ก็าตามมันนั้นคือความชั่วเหมือนกับไฟทําเข้าไปแล้วก็มันจะร้อนอะเพราะทำไม่ถูกต้องถ้าว่าใครทําถูกเมือกระจับน้ําแข็งใครจะรู้หรือไม่รู้ก็าตามปิดทองหลังพระก็มีคุณค่ามีประโยชน์ทําเวลาไหนสบายอกสบายใจเพราะเหตุไรเพราะเราทําถูกต้องเพราะนั้นพวกเรารู้แล้วว่าศีลธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าศีลห้าของพระพุทธเจ้าเนาะมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไร ถ้าว่าใครไม่รักษาข้าพเจ้ารู้แล้วศีลห้ามีประโยชน์มีคุณค่าถึงใครอยากไม่รักษาก็ตามข้าพเจ้าคนหนึ่งจะเป็นผู้รักษาศีลห้านั้นอยากจะให้ลูกหลานนับหนึ่งจะข้าพเจ้านับหนึ่งจะข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าเห็นคุณค่าของศีลธรรมถ้าโลกทั้งโลกมีศีลธรรมแล้วโลกทั้งโลกจะสงบร่มเย็นเป็นสุขถ้าพวกเรานับหนึ่งจะข้าพเจ้า คนหนึ่งก็นับหนึ่งคนนั้นก็นับหนึ่ ง, นน ง, นนงต่างคนต่าง น, นับหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบกสองเป็นสี่จะทวีคูณขึ้นเรื่อยเรแต่ถ้าว่าพวกเร า, าโอ๊ยคนเฒ่าคนแก่คนเข้าวัดเท่านั้นละ่ะสมควรจะรักษาศีลพวกเราเนี่ยมีภาระมากพวกเราจะรักษาศีลแล้วจะได้กินอะไรอย่างนี้เหมือนกับพวกเราบอกว่าพวกที่เรียนกฎหมายมาเท่านั้นละ่ะจบธรรมศาสตร์จบจุฬามาเท่านั้นน่ะนิติศาสตร์มาเท่านั้นละ่ะสมควรที่จะรักษากฎหมาย พวกเราไม่ได้เรียนกฎหมายเราจะไปรักษาจะไปเคารพกฎหมายได้ยังไงแพวกเราก็ทําตามความชอบใจของข้พาพเจ้าเสียอย่างนี้โลกทั้งโลกประเทศทั้งประเทศเดือดร้อนวุ่นวายแน่นอนถึงเราจะได้เรียนกฎหมายหรือไม่ได้เรียนกฎหมายแต่กฎหมายตั้งขึ้นมาแล้วเพื่อให้คนชาติทั้งชาติเคารพกฎหมายให้ปฏิบัติตามกฎหมายคนในชาติก็จะมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นจุก และนี้ศีลธรรมก็เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเมื่อพวกลูกหลานศรัทธาญาติโยมได้ฟังศีลธรรมด้วยศีลห้าที่หลวงพ่อได้อธิบายมาก็มีคุณค่าเพราะจะมองเห็นได้แล้วว่าศีลห้าของพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายอต่อเนี้ไปตั้งใจสมาทานศีลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะพะกวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพะกวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิปัญจสิขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทาย ตลอตอนนี้ไปหลวงพ่อจะกล่าวสัมโมทนิยกถาให้แก่คณะทถาญาติโยมลูกหลานได้ฟังได้ศึกษาพูดภาษาธรรมะให้เป็นแนวความคิดสำหรับพวกเราที่เข้ามาสู่วัดวาศาสนาในวันนี้หลวงพ่อเองทราบข่าวว่าท่านเลขาสภาพัฒ ดออรอัมพลกิติอัมพลที่เป็นเเลขาพูดกับหลวงพ่อก่อนหน้านี้ว่าจะให้พวกลูกหลานเข้ามาอบรมธรรมะในหลักของพุทธศาสนาหลวงพ่อได้ยินแล้วก็เออคือมีรุ่นก่อนครั้งก่อนมีครั้งหนึ่งแล้วคราวนี้อีกเป็นครั้งที่สองหลวงพ่อได้ยินแล้วก็เป็นที่พอใจ พอเห็นว่าลูกหลานทั้งหลายที่มาอบรมล้วนแล้วแต่เป็นชั้นปัญญาชนถ้าเป็นนักเรียนก็เป็นหัวกะทิของคนในชาติหัวกะทิคนในชาติเนี่ยควรจะได้รับสิ่งธรรมะหรือว่าสิ่งที่เรียนรู้เรื่องต่างๆให้กว้างขวาง ไม่ใช่อยู่ในกระจุกใดกระจุกหนึ่งไม่ใช่ว่าเราจะไปเรียนรู้แต่เฉพาะในกรุงเทพเราก็ควรจะออกไปในต่างจังหวัดไปศึกษาทัศนศึกษาการล้วนแล้วจะเป็นเรื่องการศึกษาของพวกเราผู้มีสติปัญญาเพราะว่าเราจะได้พัฒนาประเทศชาติของเราไปในทางไหนนะในวันนี้ก็หลวงพ่อทราบว่าโครงการฝึกอบรม ทีมอนาคตรุ่นที่สอง อ, อดีตที่ผ่านมาแล้วท่านไม่ได้หวังนะ อ, อนาคตประการ ต, ตั้งแต่วันพุ่งนี้มรืนนี่แหละเป็นต้นไปพวกเราจะวางแผนยังไงระหว่างวันที่17มีนาคม30กรกฎาคม52ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกษิจและสังคมแห่งชาติวงเล็บอักษรยอ่สอสสช สเสือสอชราสช้างฮะสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ที่มีอายุราชการไม่เกินสมปีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะและสมรรถนะแก่ข้าราชการรุ่นใหม่ของสำนักงานสสชอซึ่งมีดรอมพลกิติยมพลเป็นเลขาธิการคณะ กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคณะที่เดินทางมาในครั้งนี้มีท่านดรสุทินีปิยะชาติผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะสชชเป็นหัวหน้าคณะและนายมนตรีบุญพาณิชย์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สอพ อ, อ ส, อสอชอและนายวีระวรพันธ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพัฒนาการสอพ อ, อเป็นผู้ประสานงานโครงการคณะประกอบไปด้วยข้าราชการชายสามสิบเก้าหญิงยี่้าและผู้ติดตามรวมหกสิบเก้าท่าน น, นี่แหละอันนี้ก็คือเดินทางมาถึงวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมห้าสองสอ ชอชอชอเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําและวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในการเป็ น, นกลไกขับเคลื่อนและยึดโยงภาคส่วนต่างๆในสังคมให้ประสานพลังและร่วมกันพัฒนาประเทศโดยการมุ่งพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถ บครากรขององค์กรให้ได้มาตรฐานสากลโดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการใหม่โดยศึกษาเรียนรู้ในเรื่องต่างๆมากมายและก็ความคาดหวังมุ่งหวังของผู้ที่เป็นเจ้านายผู้บังคับบัญชาให้ข้าราชการที่ผ่านการหล่อหลอมพัฒนาในรูปแบบใหม่เป็นข้าราชการที่มีสมรรถนะที่พึงประสงค์ทางด้านความรู้ทักษะ ทัศนคติค่านิยมที่พึงประสงค์สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของสอสอชอและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีภายใต้การบริหารจัด ก, การภาครัฐแนวใหม่ฟังฟังดูแล้วก็กว้างขวางที่พวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานที่ได้มา อบรมในสถานที่ต่างๆแต่ตามไม่จริงการอบรมการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆในหลักของพุทธศาสนานั้นว่าทัศนศึกษาถ้าเราไปไปเห็นในสถานที่ต่างๆตาดูหูฟังใจคิดตาเมื่อไปเห็นเมื่อมาเห็นวัดของหลวงพ่อ เป็นลักษณะอย่างนี้เป็นป่าอย่างนี้มีสลาอย่างนี้อยู่ในความสงบเงียบอย่างนี้และก็มีพระปีนี้จะพรรษาสามสิบเก้ารูปต่างรูปก็ต่างมาจากจากตุรทิศทั้งภาคเหนือภาคใต้แมาอยู่ด้วยกันได้ก็มาอยู่ที่วัดป่านาคำน้อยแห่งนี้และก็มีเนื้อที่กว้างพันกว่าไร่พันสามร้อยสิบห้าไร่ ที่วัดของเรามีกำแพงล้อมรอบกำแพงคลอนกียเสริมเหล็กยาวถึง6 ก, กิโลกว่า700กว่าเมตรความยาวความสูงของกำแพง2เม50อันนี้คือพวกเราได้มาเห็นได้มาศึกษาได้มาทัศะนะศึกษาและก็พร้อมกันก็ได้เข้ามาเห็นศาลาและก็พระสงฆ์ได้เห็น หลวงพ่อและก็หลวงพ่อได้กล่าวแนะนําเรื่องศีลแลธรรมเรื่องศีลห้าที่ได้จบลงสักครูน่นี้ก็ให้ลูกหลานได้ฟังได้ศึกษา ว, ว่าศีลธรรมมีคุณค่าอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรเพราะฉนั้นลูกหลานจะได้นําความรู้หรือแนวความคิดทางพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดกับชุมชนและสังคมมนุษย์ชาติให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ ให้กว้างขวางเพราะมนุษยชาติของเราต้องการความสุขใครๆเกลียดทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นแต่จะทำยังไงทุกคนจะให้ประสบความสุขความเย็นใจขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยกฎหมายบ้านเมืองศีลธรรมจริยธรรมที่ดีก็มาอบรมแต่ว่าคนทั้งหลายมีตรสอนกันแต่เรื่องความรู้ฝึกกันตั้งแต่ความรู้ สอนกันตั้งแต่ความรู้แต่ขาดคุณธรรมในจิตใจอันนี้โลกทั้งโลกก็เดือดร้อนไปอีกเหมือนกันเพราะว่าขาดจริยธรรมในหลักของพุทธศาสนาพวกเราลูกหลานทั้งหลายคงจะได้เรียนหรือว่าได้กล่าวอิทธิปิโสของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติไว้มาตั้งตั้งแต่สองพันกว่าปี อิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทธโธวิชาจารณะสัมปันโนสุกโตโลกวิทูวิชานี่คือความรู้จรณะคือความประพฤติมันต้องไปด้วยกันแต่พวกเรามีแต่สอนวิชาให้เรียนรู้เรื่องต่างๆเหมือนกับเราเรียนกฎหมายอย่างเนี้ยเรียนรู้กฎหมายพ่อเรียนรู้แล้วขาดจริยธรรมก็นำกฎหมายนั้นเอาไปใช้คนที่โง่กว่าเรา เราก็เอาไปทิ่มไปแทงเอาไปกดเอากฎหมายของเราเนี่ยไปกันไปแกล้งกับใครๆก็ได้ทั้งหมดเพราะเหตุใดเพราะเรารู้กว่าเขาเรามีปัญญากว่าเขาแต่ถ้าว่าเรามีจริยธรรมในจิตใจจริยธรรมคือความประพฤติเราเอาจริยธรรมเข้าไปเออถ้าเราไปทําให้แก่เขาอย่างนั้นเขามีความรู้สึกยังไงทั้งที่เขาก็ไม่รู้ แต่ว่าเราเรารู้ว่าการไปทำให้แก่เขาอย่างนั้นเราเอาเปรียบเขาอย่างชัดๆในเมื่อเขามาทำให้แก่เราล่ะทำอย่า ง, างเราไปทำให้แก่เขาเราจะมีความรู้สึกอย่างไรเราเสียใจไหมถ้าเราถ้าเขามาทำให้แก่เราอย่างที่เราไปทำให้แก่เขานั้นอันนี้คือจริยธรรมเพราะนั่นหลักของพุทธศาสนาเนี่ให้มีจริยธรรมด้วยถ้ามีมีดแล้วก็ต้องมีฝักอ่เป็นเครื่องบังคับเอาไว้ ไม่ใช่ว่าพอฝนมีดให้คมแล้วก็ทิ้งเขือนไปหมดเดี๋ยวก็จับทิ่นจับแทงคนไหนทําทให้เดือดร้อนวุ่นวายไปหมดเพราะอะไรเพราะมีดไม่มีฝักแต่ถ้าว่ามีดมีฝักเมื่อทําให้คมแล้วแล้วก็ต้องเอาไว้ในฝักมีความจําเป็นอย่างไรเราจรึงคอยเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสังคม เ, เราจะเอามาใช้ทําเอาหงทําอาหารมาทางปา่ามีดทางป่าก็ทําให้ทางปา่าทางป่าเสร็จาแล้วก็เก็บไว้ให้ มิชชิพไม่ให้เป็นอันตรายกับใครๆท่ามีดที่จะใช้หั่นอาหารอย่างนี้เราก็เก็บมาไว้ให้เกิดประโยชน์ในครอบครัวอันนี้คือให้รู้จักใช้เป็นจริยธรรมคือความประพฤติเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาท่านจึงว่าให้สอนว่าวิ ช, ชาคือความรู้จารณะคือความประพฤติถ้าเปรียบเทียบทางโลกพวกวันนี้เขาบ่า IQ, EQ, MQ IQ ก็ Q, e Q, คือความรู้ความฉลาด EQ ก็ e คือความรับผิดชอบ m อก็คือพื้นฐานเป็นคนดีจิตใจเยือกเย็นทำการงานด้วยความระบัดระวังด้วยความรอบครอบมันต้องไปด้วยกันอนนี้แหละแต่ฝรั่งเขาว่ายอย่างนั้นแต่วิชาในหลักของพุทธศาสนาพระพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านบอกไปก่อนแล้ว วิชาจารณะสัมปันโนสุกโตโลกาวิทูนี่แหละขอให้ลูกหลานเมื่อเราได้เรียนรู้วิชาต่างๆเพื่อจะนำมาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองเพราะนั้นความรู้คู่กับคุณธรรมจำเป็นอย่างยิ่งแต่ถ้าว่าพวกเรามีแต่ความรู้อย่างเดียวคิดขึ้นมาแล้วคิดแต่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นแต่งตั้งกฎหมายขึ้นมาเปิดช่องเปิดทางให้แก่พักแก่พวกของตอนเองอย่างเนี้ย การจะพัฒนาประเทศชาติจะเป็นไปได้อย่างไรการพัฒนาประเทศชาติอย่างลูกหลานพัฒนาสังค ม, มเศรษฐกิจกสังคมแห่งชาติหลวงพ่อเคยพูดกับท่านเลขาท่านก็มาถามหลวงพ่อเหมือนกันว่าหวลวงตาทำง า, านนะหลวงตาว่าการพัฒนาจะเขียนแผนพัฒนาจะเขียนจะเขียนยังไงหลวงตาหวลวงพ่อก็เลยบอกว่าการเขียนแผนพัฒนาเนี่ยต้องเน้นบุคคล ต้องเน้นคนก่อนถ้าว่าคนมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีแล้วเขาไปอยู่ในกลุ่มใดเขาประสบแสวงหาทรัพย์ขึ้นมาแล้วก็ร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าว่าเราเป็นเน้นแต่ด้านวัตถุเราสแสวงหาด้านวัตถุสร้างตึกตึกรานบ้านช่องสูงอลามไปด้วยเงินทองประดับด้วยเพชรแต่คนไม่ได้พัฒนา คนนี่กินเหล้าเมายาสุลานารีเออการพนันอบายยุบุกเต็มไปหมดเต็มบ้านเต็มเมืองคนเหล่านี้แหละเอจะไปรื้อตึกรื้อตึกลานบ้านช่องเหล่านั้นนะ่ะมาขายกินหมดเพราะเหตุไรเพราะคนไม่มีคุณภาพเราต้องคิดดูเจ้าของในสําคัญกว่าในหลักของพุทธศาสนาท่านจึงเน้นหนักเรื่องหัวหน้าเนะม่ยเรื่องคนคนคือเป็นเจ้าของของประเทศ คนเป็นเจ้าของสมบัติของประเทศถ้าว่าคนดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมจริยธรรมที่ดีแล้วประเทศชาตินั้นจะเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าว่าคนในชาติขาดคุณธรรมมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายไปที่ไหนมีแต่จะเอารัดเอาเปรียบกันคนที่มีอำนาจว่าธนาเท่าไหร่ก็ยิ่งรังแกคนที่ด้อยโอกาสเบียดบังของเขา จนเขาจะอยู่ไม่ได้เท่าไหร่ตัวเองถ้าได้เปลี่ยนแปลยิ่งไม่ไม่รู้จักเมืองพอความโลภของมนุษย์เนี่ยไม่มีเมืองพอเเพราะฉะนั้นหลักของพุทธศาสนาท่านจึงสอนเรื่องเศรศษฐกิจให้รู้จักพอให้พัฒนาคนคนเป็นเจ้าของสมบัติในหลักของพุทธศาสนาเรียว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจ คือคนเราเนี่ยคนคนหนึ่งอย่างพวกทูกหลานทุกคนที่นั่งอยู่เนี่ในหลักของพุทธศาสนาท่านว่ามันมีอยู่สองนะพวกเรานั่งอยู่เนี่มีอยู่สองในตัวของเรามีอยู่สองรูปธรรมคือร่างกายนามธรรมนั่นคือจิตใจจิตใจนั้นมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่พวกเรารู้ว่าข้าพเจ้าต้องการอะไรข้าพเจ้ากโกรธเคืองข้าพเจ้าพอใจไม่พอใจกับใครนี่แหละอยู่ในใจ แต่พวกเราลูกหลานทั้งหลายก็คงคิดว่าสมองเนีสมองตัวนี้คือสมองเป็นตัวคิดแต่ละของพุทธศาสนาท่านเน้นกว่านั้นไปอีกกันว่าสมองนั้นเป็นเครื่องใช้ของใจใจนั้นมันมองไม่เห็นแต่สมองนั้นอยู่ที่ศีรษะของเราแต่ใจมาใช้สมองอีกทีหนึ่งเหมือนกับเราไปใช้คอมพิวเตอร์อย่างนั้นนะเคอมพิวเตอร์ไม่ใช่คนคนไม่ใช่คอมพิวเตอร์แต่ว่าคน่ ไปใช้ไปกดใช้คอมพิวเตอร์พอกดเข้าไปคอมพิวเตอร์ก็ทํางานทํางานื อ, านอย่างที่เราต้องการแต่ตามให้จริงคอมพิวเตอร์มันเสียได้ไหมเสียได้ถ้าว่าคอมพิวเตอร์มันเสียแล้วคนจะไปใช้ยังไงมันก็ใช้ไม่ได้เพราะเหตอะไรเพราะคอมมันเสียอันนี้ก็เหมือนกันถ้าสมองของเราได้รับการกระทบกระเทือนใจของเราจะรู้สึกยังไงเอาไปใช้สมองสมองมันก็ทําไม่ได้ทํางานไม่ได้เพราะเหตุอะไรเพราะสมองมันเสีย สมองได้รับการกระทบกระเทือนนี่แหละแต่ว่าใจดวงนั้นดูไหนก็อยู่นั้นละแต่ทำไงมันใช้ไม่ได้สมองใช้ได้นิดๆนิดหน่อยๆปั๊มๆเปือป่อๆไปยังไงบางคนก็ใช้ไม่ได้เลยมีตาลหลับพริบๆรๆอยู่งั้นเพราะอะไรเพราะว่าสมองมันเสียเครื่องคอมพิวเตอร์เสียอันนี้ลหลักๆของพุทธศาสนาท่านให้แยกดูท่านค้นคิดท่านดูได้ถึงขนาดนั้น แต่ท่านเน้นหนักเรื่องใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าทิ้งท่านไม่ได้เน้นเรื่องกายนะรูปธรรมในะท่านไม่ได้เน้นรูปร่างกายนะึงเกิดขึ้นมาแล้วรูปร่างกลางตัวเป็นยังไงตัวดำตัวขาวตัวเตีย้ยตัวสูงตัวอะไรอันนั้นเป็นธรรมชาติมันเกิดมาแล้วตกแต่งก็ได้นิดหน่อยแต่ว่าตัวผู้รู้คือใจตรงนี้ให้โง่ก็ได้ให้ให้โง่ก็ไ ด, ใใไ ด, ใได้ให้ฉลาดก็ได้ ให้แข็งกล้าวก็ได้ให้อ่อนน้อมถ่อมตนก็ไดออ้ทำยังไงได้ใจนี่ดวงนี่เพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาท่านจึงเน้นเรื่องใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจถ้าว่าใจของเราได้รับการศึกษาดีใจของเรามีคุณภาพมีคุณธรรม ม, มีศีลธรรมการใช้วาจาออกไปก็พูดในทางที่ดีการกระทาไปทางกายการกระทาทางวกายของเรา ก็ไม่ได้เบียดเบียนตนและผู้อื่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยทรัพย์ไม่ประพฤติปิดในกามไม่ดื่มสุราอยางเนี้ยนี่แหละคือศีลคือใจของเราถ้าใจของเรามีคุณภาพมีคุณธรร ม, มแล้วจะสั่งกายออกไปก็ไปในทางที่ถูกต้องถ้าว่าสั่งไปทางวาจาก็ไม่คิดเบียดเบียนตนและผู้อื่นพูดออกไปก็มีแต่ทาให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นจุขท่วนหน้ากัน เพราะนั้นศีลและธรรมของพระพุทธเจ้าหรือหลักของพุทธเจ้าเนี่ยท่านเน้นหนักมาถึงใจอย่างเพราะฉะนั้นพวกเราลูกหลานทุกคนที่เข้ามาศึกษาธรรมะในวัดวาศาสานาหลวงพ่ออยากจะให้พวกลูกหลานเน้นเรื่องคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมนี่ยนะถ้าหากว่าพวกเราเน้นเรื่องศีลธรรมจริยธรรมแล้วพวกเราจะทายางอื่นมันพอเป็นไป แต่ทุกวันนี้ในหลวงของเราหรือว่าแผนของเราที่จะแผนสิบเอ็ดที่จะต่อไปภายภาคหน้าทราบว่าคงจะเขียนในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงนะ เ, เศรษฐกิจพอเพียงแต่หลวงพ่อก็เคยพูดมาในเอ็มสาของหลวงพ่อในหลายแผนหลวงพ่อบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นคืออะไรบางคนก็ว่าสมัยก่อนเมื่อในหลวงตัดออกมาว่าให้พวกเอ คนในชาติให้ทำตัวให้เศรษฐกิจพอเพียงให้คนบางกลุ่มก็ว่ากอื้อในหลวงให้พวกเราถอยหลังเข้าคลองก็คงจะให้ทำไรทำนาเสร็จแล้วก็มีสระขึ้นมาแล้วก็มีเลี้ยงปลาเอาไว้แล้วก็เป็นนั่งเฝ้าอยู่เถียงนาขนานาแล้วก็จับปลาขึ้มากินกับข้าวไม่ต้องกระตือรือล้นอะไรอย่างนั้นใช่ไหมเศรษฐกิจพอเพียงฮะอันนี้คนเขาก็ มีความวิาพากษ์วิจาร์กันแต่หลวงพ่อบอกว่าอันนั้นคือส่วนหนึ่งแต่ตามไม่จริงเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยในหลักของพุทธศาสนาที่ในหลวงท่านมุ่งหวังให้แก่พวกเราประพฤติปฏิบัตินั่นคือให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้นี่แหละหลวงพ่อว่านะหาก็คือให้หมั่นขยันในการหาทรัพย์สมบัติถึงจะหามาได้มากร้อยล้านพันล้าน หมื่นล้านก็ไม่จัดว่าเป็นความโลภพ่อหาด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้เบียดเบียนตนและผู้อื่นไม่ได้เบียดบังของใครทั้งหมดหาด้วยสติด้วยปัญญาของเราได้มาด้วยสติด้วยปัญญาของเราไม่จัดว่าเป็นความโลภแต่ถ้าว่าเราไปเบียดบังของคนอื่นเขาแม้แต่ น, น้อยนึงบาทนึงก็จัดว่าเป็นความโลภเพราะว่าได้มาโดยไม่บริสุทธิ์ถ้าได้มาโดยความบริสุทธิ์แล้ว ไม่จัดเพาเป็นความโลภได้มาด้วยสติด้วยปัญญาของเราอันนี้แหละว่ะให้รู้จักหาถ้าว่าเราหมั่นขยันในการหาแต่ไม่รู้จักเก็บได้มาเท่าไหร่รั่วไปหมดเหมือนเราขยันตักน้ํามาใส่ตุ่มน้ําพอตักขยันเท่าไหร่น้ําก็รั่วออกไปเออขยันขนาดไหนตักเข้ามาน้ําก็รั่วออกไปเพราะว่าเราไม่ได้เก็บ ไม่ได้ใส่ใจในการเก็บไม่รู้คุณค่าของการเก็บคนคนนั้นก็หาความสงบพรมเย็นเป็นจุกไม่ได้อีกเหมือนกันเขาต้องขาดทุนทรัพย์อีกเพราะเหตุไรเพราะเขาไม่รู้จักเก็บแล้วก็ไม่รู้จักใช้อีกเด่นใช้แบบดุยชุยแจกใช้ไม่รู้จักคุณค่าเพอเผลอได้เงินมามากๆใช้เงินก้อนนั้นไปจ้างเขาฆ่าคนอื่นบังไปซื้อยาบ่งยาบ้าคัญชายาฝิ่นเอาไปใช้ในไม่เกิดประโยชน์ อันนี้แปลว่าไม่รู้จักใช้ถ้ารู้จักใช้ก็ต้องคิดซะก่อนว่าเราจะใช้เงินก้อนนี้เงินร้อยนี้พันนี้เราจะใช้อย่างไงคิดซะก่อนอย่าค่อยใช้ถ้าเป็นอย่างนั้นนะนั่นน่ะเศรษฐกิจของพวกเราจะพอเพียงไม่เดือดไม่ร้อนเพราะรู้จักหารู้จักเก็บรู้จักใช้ในหลักของพุทธศาสนาอีกทีนึงถ้าอ้างเป็นพระบาลีขึ้นมาเลยว่าอุทสานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยัน คือเราต้องขยันในการหาทรัพย์ในหลักของพุทธศาสนาในท่านสอนเป็นเป็นในหลายไหนหลายนัยยะใารเคยค่าว่าพระธรรมแปดหมี่พพระธรรมขันนั้นท่านสอนหลายหลายนายัยนยะอย่างท่านว่าอภิจตตาสันทุติกถาสันทุตถีความตามมีตามเกิดมีอย่างไงก็ใช้อย่างนั้นอันนี้คือสันทุตถีอภิจตตาเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดดอันนี้คือสอนพระพระในวงในเนี่ย ถ้าพระเนี่ยเป็นผู้โลภโหโบกน่ะมันน่าเกลียดขนาดไหนอันนี้พระต้องเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้ชั่นโดดให้อยู่แบบพอเพียงให้อยู่แบบให้รู้จักประมาณตนใช่อย่าไปทําอะไรโอ้อาฟูา่มฟาดจนเกินตัวอันนี้คือพระให้พระเจ้ทาท่านก็นสอนแต่สําหรับคารวะแล้ท่านบอกว่าอุตฐานะสัมปทาถึงพร้อมโดยความหมั่นความขยันให้ขยันหาทรัพนะ อย่าขี้เกียจขี้ค้านอุทาน ا สัมปทาอรคะสัมปทาให้รักษาทรัพย์สมบัติเมื่อเรามันขยันหามาได้แล้วต้องรักษาไว้อุทานะคนํานี้เราต้องเรียนหนังสืออย่างนี้กระจัดเข้าเป็นอุทานะเหมือนกันตั้งอกตั้งใจเรียนหนังสือแล้วอรักคะสัมปทาเมื่อเราเรียนเราได้วิ ช, ชาความรู้ในการหาทรัพย์มาแล้ว เราได้ตำแหน่งมาแล้วเราต้องรักษาอารักฐานเนี่ยคือรักษาทรัพย์สมบัตริรักษาตำแหน่งหน้าที่ของเราอไม่ใช่ว่าเราได้หน้าที่ตำแหน่งแล้วกินเหล้าเมายาเที่ยวสั ม, มเลเทเมาเพราะที่สุดผู้บังคับบัญชาไล่ออกจากหน้าที่การงานอันนี้แปลว่าเป็นผู้ไม่รักษาถ้ารักษาแล้วก็ต้องรู้จักใ น, ในการวางตัวไว้ว่าข้าพเจ้าจะไม่ทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องผิดกฎระเบียบข้าพเจ้าจะไม่ทําอะ อันนี้ว่ารักษาอรักขาสัมปทาการยานามิตรให้คบเพื่อนที่ดีงามอย่าไปคบคนเลวอย่าไปคบคนชั่วช้าเสียหายแหอย่าไปคบคนนัเกเลงหัวไม้แหมอย่างนี้รพระพุทธเจ้าท่านก็ให้เลือกคบเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะเห็นใครเราก็จะคบค้าสมาคมไปทั้งหมดไม่ใช่ให้เลือกครบระ ว, วังการยานามิตรตาให้คบเพื่อนที่ดีงามข้อที่สี่สัมมาชีวิ ต, ตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ อย่าไปหลอกลวงอย่าไปคดโกงอย่าไปโป้นจี้อย่าไปเบียดบังเขามาเลี้ยงชีวิตของเราให้เลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบหน้าที่การงานอย่างไรมันขยันอย่างไรแต่ให้มันถูกต้องหรือถึงจะร่ารวยมากมายขนาดไหนก็ตามแต่ให้ให้มันถูกต้องอย่าไปได้เบียดเบียนคนอื่นเขาอย่าไปคดไปโกงคนอื่นเขานี่แหละหลักของพุทธศาสนาให้พวกเรา นำออามาใช้ก็ได้ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไปแล้วอุทานะสัมปทาอรรคะสัมปทากัลยาณมิตตตาสัมมาชีวิตตาอันนี้แหละคือธรรมะธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นท่านก็สอนอีกว่าตระกูลอันมั่งครั่งไม่ตั้งอยู่ได้นานเพราะสถานสี่เนี่คือทำหมวดสี่ท่านพูดเป็นหมวดหมวดเลยละ่ะเนื่งไม่สแสวงหาพัสดุที่หายแล้วสองไม่บุรณพัสดุที่คล้ำคล่า 3. ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติสี่ตั้งสตรีหรือบุรุษทุสินให้เป็นเจ้าของสมบัติอันนี้ก็คือตระกูลอันมั่งคั่งที่ตระกูลที่ล่ำรวยแล้วอยู่ไม่ได้หนึ่งไม่แสวงหาพัสดุที่หายแล้วพัสดุที่หายคือสิ่งของที่เราหายไปของในบ้านที่เราหายไปหายไปแล้วกว็แล้วไม่คมีใครสนใจไอ้คนที่จ้องขอโมยแลเวาก็จองอขอโมยไปเรื่อย ในประเทศชาติของเราก็เหมือนกันเรามีสมบัติในประเทศชาติแต่เราไม่รักษาคนนั้นเขามาขโมยคนนั้นก็มาแย่งชิงคนนั้นเขม า, ม, นนข ม, านนขมาเบียดบังในประเทศชาติของเราจะอยู่ได้อย่างไรถ้าว่าพวกเราเห็นว่าเขามาดูถ้าเรารักษานะเราก็จะถามว่าเขามาอย่างไรเขาเอายังไงเขาไปยังไงในช่วงนั้นมันเป็นยังไงใครเป็นคนดูแลรักษาอย่างนี้ถ้าว่าพวกเรา ดูแลรักษาอยู่ใครๆจะมาขโมยของเราเนี่ยเขาก็ไม่กล้าเพราะเหตุไรเพราะว่าเรารักษาอยู่นะว่าอารักขะเพราะนั้นตระกูลนั้นบัางข้างไม่ตั้งอยู่ได้นานเพราะสถานที่ไม่แสวงหาพัสดุที่หายแล้วนีแล้วก็ไม่บุรณนะพัสดุที่คล้ําคล่าพัสดุที่คล้ําคล่าคือของเสียหายนิดหน่อยอย่างรองเท้าเราเสียหายนิดหน่อยแต่พร้อมที่เราจะเย็บให้เข้าที่ได้ช่อมได้เสื้อผ้าของเราก็เหมือนกัน ถ้ามันเสียหายนิดหน่อยเราซ่อมได้อย่างชล า, าของเราก็เหมือนกันถ้ามันรั่วข้างบนนิดหน่อยถ้าฝนตกมันรั่วเราก็ซ่อมใช่ไหมกระเบื้องไม่กี่แผ่นแต่ถ้าเราไม่รักษามันหล่นลงมาน้ํารั่วลงมาใส่พื้นเออไม้ถูกน้ําไปไงเออทีนี้มันตึงขึ้นมาทีนี้พื้นเออมันแตกขึ้นมาเลยทีนี้เสียหายไม่รู้เงินเท่าไหร่เลยนี่แหละไม่รู้จักไม่บูรณพัสดุที่คล้ำค่าก็ มันอยู่ไม่ได้แต่เหมือนกันตระกูลนะนี่แหละแล้วก็ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติอันนี้เจ๋งอยู่แล้วางั้นแต่ทำไม่รู้จักประมาณในการบริโภคตัวเองเ อ, อรู้ได้ว่าข้าพเจ้ามีเงินเดือนเท่าไหร่สมควรจะใช่ยังไง อ, อโดยมากคนยุคสมัยนี้โดยมากจะบริหารแต่ทรัพย์สมบัติของคนอื่นไม่บริหารตัวเองเ อ, อพอได้เงินมาแล้ยก็ใช้ ไม่คิดไม่อ่านแต่ตามไม่จริงมันต้องคิดเงินเดือนของเราเดือนละสามหมื่นสามหมื่นกระตกวันละพันบาทเนี่ยวันละพันบาทวันละพันบาทเราคิดดูว่าค่าน้ํามันเท่าไหร่ค่าโทรศัพท์เท่าไหร่ค่าอาหารเท่าไหร่ใครที่เกี่ยวข้องเราจะใช้เท่าไหร่เราควรจะเก็บไว้เท่าไหร่มันต้องให้เหลืออในพันบาททันนั่นแหละถ้าว่าเราไว้เหลือแล้ว ต่อไปเราก็ใช้เงินก้อนนั้นละ่ะที่เก็บไว้ข้างหน้าเพื่ออนาคตเราเก็บไว้เพื่อใครเก็บไว้เพื่ออนาคตของเราวันพรุ่งนี้มรืนนี้ไม่มีใครจะทํานายได้ว่าข้าพเจ้าจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่ได้เข้าโรงพยาบาลพ่อแม่พี่น้องท่าจะไม่ได้ใช้เงินคำํำทรัพย์สมบัติที่พวกเราเก็บหอมรอมริบเอาไว้เนี่เก็บไว้เพื่ออนาคตเพราะนั้นการวางแผนของตัวเอง ให้รู้จักประมาณในการบริโภคอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่ทุกวันนี้โดยมากมันใช้เกินฐานะทั้งที่ตัวเองจะมีรถเก๋งญี่ปุ่นก็นู่นแต่จะไปซื้อของฝรั่งราคาแพงเกินฐานะเป็นหนี้เป็นสิขนขึ้นมาผลที่สุดก็ตัวเองก็เป็นหนี้เป็นสินพลุงพลังก์ก็เลยเบียดบังเงินหลวงเข้ามาเป็นคอร์รัปชันคอรัปชันไปอะไรทีนี่แหมมันไปลักษณะอย่า ง, งานั้น ก็ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคข้อที่4ี่ตั้งสตรีหรือบุรุษทุศีนให้เป็นเจ้าของสมบัติตัวนี้ก็เป็นตัวจิบหายอีกตัวหนึ่งเหมือนกันคือคล้ายๆว่าแม่เจ้าบ้านคนนี้พ่อเจ้าบ้านคนนี้ใจใหญ่ชอบเล่นการพนันชอบเล่นหวยชอบเล่นบอลชอบเล่นม้าการพนันชอบกินเหล้าอย่างนี้แม่เจ้าบ้านก็มอบความไว้บังใจ ทรัพย์สมบัติที่มีเงินมีเงินเดือนมาก็มอบให้สามีเป็นผู้บริหารนั่นแหละไม่ดนานครอบครัวก็เจ๊งได้ง่ายๆเพลียเพราะว่าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคเนสมบัติถ้าจะมอบให้แม่บ้านก็เหมือนกันถ้าแม่บ้านเป็นลักษณะอย่างนั้นก็เจ๊งอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นในหลักของพุทธศาสนาพวกเรานำมาคิดนำมาพิจ า, นานรณาไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วเพราะพระเจ้าท่านพูดมาทั้งสองพันกว่าปี ก็ยังเป็นประโยชน์สําหรับพวกเราท่านทั้งหลายตระกูลอันมั่งครั่งไม่ตั้งอยู่ได้นานเพราะสถานศีไม่แสวงหาพัสดุที่หายแล้วไม่บูรณะพัสดุที่คล้าค่าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติตั้งสตรีหรือบุตรผู้สินให้เป็นเจ้าของสมบัตินี่แหละหลักของพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพวกลูกหลานทั้งหลายพวกเราทุกๆคนนะเราเกิดมามีสิ่งแวดล้อมมีสิ่งแวดล้อมภายนอกอย่างซาลากุติ แหล่งน้ําภูผาป่าไม้ธรรมชาติเนี่ยสิ่งแวดล้อมแต่ตามไม่จริงสิ่งแวดล้อมภายในก็ามามันมีอีกนะเนี่ยหลักของพุทธศาสนาสิ่งแวดล้อมก็คือท่านบอกว่าทิศทั้งหกถ้าพวกเราทําไม่ถูกทิศทั้งหกเนี่ยจะหาความเจริญไปยากเพราะเหตุไยเราไม่ทําให้ถูกทิศทั้งหเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาท่านว่าให้โน้น้อมทิศทั้งหกให้เคารพทิศทั้งหกทิศทั้งหกนั่นคืออะไร ทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาบุตรธิดาที่เกิดมาจากพ่อแม่แล้วเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดำรงวงศุลประพฤตตนให้สมควรควรรับรับมรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้ให้ทำให้ถูกนะแต่ถ้าทำไม่ถูกไม่ได้นะถ้าทำไม่ถูกกับพ่อแม่เดี๋ยวพ่อแม่ ไล่ออกจากกองมรดกไม่นับเนื่องว่าเราเป็นลูกของท่านจะยุ่งนะอนี่แหละให้ปฏิบัติให้ถูกให้เคารพนบน้อมวัยวุธิคุณวุฒิคือคุณบิดามารดาท่านเป็นผู้มีพระคุณเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่อ่อนตั้งแต่ออกตัวดเด็กๆให้การศึกษาแก่พวกเราท่านจึงว่าพ่อแม่เป็นบุกพาอาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกของบุททิดาพ่อแม่เป็นบุกพาอาจารย์เป็นอาจารย์สอนทั้งหมด อาบน้าอย่างนี้นะอยู่กินอย่างนี้นะห่ผมผ้าอย่างนี้นะใช่ไหมพวกเราคิดดูสิจริงไหมที่ว่าพ่อแม่เป็นบุพาจารีพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณต่อพวกเราพวกเราควรจะแสดงความกระตันยูเป็นบุพภการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนกะตันยูพวกเราควรจะแสดงความกระตันยนากาูกระตเรร ะ, ว ะ, ตะตวเวทิตาทดแทนพระคุณของท่านอันนี้คือทิดเปื้องหน้า ทิศเบื้องหลังบุตรภรรยาสามีพวกเราก็ควรจะทำให้ถูกต้องให้เคารพสิทธิซึ่งกันและกันสามีก็เคารพภรรยาภรรยาก็เคารพสามีตามฐานะลูกก็เคารพพ่อแม่พ่อแม่ก็ให้ความเมตตาต่อลูกของเราให้การศึกษาต่อลูกของเราถ้าทำถูกต้องแล้วครอบครัวนั้นก็สงบร่มเย็นเป็นสุขอันนี้ก็คือทิศเบื้องหลังสามีภรรยาลูก ทิศเพื่องขวาอาจารย์ถ้าว่าพวกเราเกิดมาแล้วเราจะรู้ได้ตัวตนเองทุกอย่างเป็นไปไม่ได้พวกเราจะต้องเรียนได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์จะต้องแนะนําสั่งสอนวิชาความรู้ให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายเว้นเสียจากพวกเราได้ความรู้มาแล้วแไม่รู้จักบุญคุณของครูบาอาจารย์อันนั้นมีแต่ถ้าว่าในหลักของพุทธศาสนาแล้วท่านว่าครูบาอาจารย์เมื่อเห็นครูบาอาจารย์ลุกขึ้นยืนรับ ไปเข้าไปคอยรับใช้ด้วยเชื่อฟังด้วยอุปถากด้วยเรียนศิลปะวิทยาโดยเคารพจากครูบาอาจารย์ถ้าเราปฏิบัติถูกต้องตามครูบาอาจารย์แล้วก็ร่มเย็นเป็นสุขมีอะไรก็เข้าไปปรึกษาท่านได้ท่านก็จะให้ความรู้ความฉลาดแก่เราเพราะครูบาอาจารย์ท่านเรียนรู้มาก่อนท่านรู้เรื่องต่างๆนี่แหละทิศเบื้องขวาอาจารย์ทิศเบื้องซ้าย มิตรสหายถ้าคนเราเกิดมาแล้วไม่มีมิตรไม่มีสหายไม่มีเพื่อนมีฝูงแล้วพวกเราคิดดูกันแล้วกันจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปได้อย่างไรเพราะคนขาดมิตรขาดเพื่อนขาดฝูงไม่มีใครที่จะมารับผิดชอบกับเราเราไปคบกับใครมีแต่ไปคดไปโกงไปเบียดไปบังไปไม่ให้เกียรติเขาไม่มีหมู่มีเพื่อนกิจการงานของเราจะเจริญ ก้าวหน้าไปได้ไหมไม่ได้เพราะขานมิตรขาดบูขาดเพื่อนนี่แหละมิตรสหายก็จําเป็นทิ่เบื้องบนสัมปนาพราหมณม์เนี่ยอย่างที่เป็นครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนเรื่องจิตวิญญาณอย่างหลวงพ่อสอนสิ่งนั้นผิดนะสิ่งนี้ถูกนะลูกหลานนะศีลธรรมเป็นอย่างนี้นะศีลห้าเป็นอย่างนี้นะเอให้รู้จักบาปบุญคุณโทษนะคุณบิดามารดาเป็นอย่างนี้นะอบาปบุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงในลูกหลานนะเนี่ย อันนี้คือสัมมนะพราหมณ์เป็นผู้แนะนำสั่งสอนทางจิตวิญญาณในชี้ในทางผิดทางถูกให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาอันนี้คือสัมมนะพราหมณ์คือทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำคือคนรับใช้คนงานของพวกเราถ้าว่าคนถ้าเราทำไม่ถูกเราไม่รู้จักใช้คนงานหรือเราเอารัดเอาเปรียบคนงานจนเกินไปคนงานไม่มีพวกเราจะอยู่ได้อย่างไร บริษัท้างร้านของเราอยู่จะอยู่ได้อย่างไรมันอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องทําให้ถูกการวางแผนให้ถูกกับคนใช้แต่บังคับบัญชาของเราอันนี้ก็มีเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลักของพระพุทธศาสนาท่านว่าให้เคารพทิศ ท, ทั้งหกไม่ใช่ทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกแต่ทิศเหนือทิศเบื้องสูงเบื้องต่ำเท่านั้นนะอันนี้แหละคิดเบื้องหน้าคือมารดาบิดาคิดเบื้องหลังบุตรภรรยาสามี ทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนพวกเราหาวิชาความรู้แก่เราทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายทิศเบื้องบนสมณพราหมณ์แนะนําความรู้เรื่องคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมทิศเบื้องต่ําบาวนะี่นี่แหละขอให้พวกลูกหลานทั้งหลายให้ได้ฟังได้ศึกษาอันนี้ก็คือถ้าพวกเราทำกับสิ่งแวดล้อมถูกต้องแล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเหมือนกัน และก็พร้อมกันเทหลวงพ่อจะเน้นหนักไปทางธรรมะเลยทีนในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยทำไมพราะพุทธเจ้าจึงสอนให้รู้จักให้คิดให้รู้จักปล่อยวางให้รู้จักว่ามโนคือใจเพราะเหตุว่าพราะพุทธเจ้าของเราถ้าเราศึกษาในพุทธประวัติแล้วพระพุทธเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินครองอยู่กรุงกบิลพัเมื่อสองพันกว่าปี พระพุทธองค์เห็นยังไงจรึงออกบวชพระพุทธองค์ก็มีพร้อมหมดทุกอย่างมีพ่อมีแม่มีอักรมเหสีมีทหารทุกกล่าวพระองค์มีความสุขแต่พระองค์เห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายเพราะว่าอูญ่าตาทวดของท่านไปไหนท่านทิ้งมรดกไว้ถือพอดกมามนี่ไปไหนหมด ท่านเหล่านั้นตายแล้วเราล่ะเราก็คงจะทิ้งอีกเหมือนกันเพราะฉนั้นจะทํายังไงจริงจะไม่ตายมีหนทางไหมสิ่งที่ไม่ตายนี่แหละนี่แหละคือจุดประกายแรกที่สิท ธ, ธัตถะที่พระ อ, องค์หนีออกไปบวชพระ อ, องค์คิดอย่างนี้จากนั้นพระ อ, องค์เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายจากนั้นก็เห็นส ม, มณะคือนักบวชไปนั่งที่โคลนต้นไม้อยู่ในความสงบนิ่ง อันนี้เป็นหนทางถ้าว่าเราอยู่ในครวดญาติโยมคงจะไม่มีโอกาสค้นคิดแต่ส ม, มณะองค์นี้ท่านนั่งแบบจูตามลาพังท่านนั่งแบบค้นคิดพวกเราคงจะได้ศึกษาจากนั้นพระองค์จึงได้หนีออกจากเวียงวังในคืนวันนั้นไปกับนายชนะม้าขันตกะสามชีวิตไปด้วยกันจนถึงแม่น้ำอโนมาณทีจากนั้นพระองค์ก็ได้ ส่งผนวด